Book 2ูเจ็ดสิบชอบอยากฟั n อิซเท้าอูคุณอยากสูบบุหรี่ไหมวอลอีร์เวกคุณอยากเต้นรำไหม w i l l i dance ค uh ุณอยากไปเดินเล่นไหม w i l l i g a a n s t a p ดิฉันอยากจะสูบบุหรี่ j k w i l grab a รู๊กคุณอยากได้บุหรี่สักมวนไหม Willie a cigarette h e เขาอยากได้ไฟแช็ก ดิฉันอยากดื่มอะไรหน่อยดิฉันอยากทานอะไรหน่อยดิฉันอยากพักผ่อนหน่อยดิฉันอยากถามอะไรคุณหน่อย เอกฟุลเ g ่กราชอิทฟราดิฉันอยากขอร้องอะไรคุณหน่อยเอกฟุลเย่กราชฟิริอิทฟราดิฉันอยากจะเลี้ยงคุณเอกฟุลเย่ก a าชไอตุ o งฟิริอิทคุณจะรับอะไรดีคะวัตส์ใหญ่ฟันเฮคุณจะรับกาแฟไหมคะ หรือว่าคุณจะรับชาดีคะ่ะ o i เราอยากจะขับรถกับบ้าน o n คุณต้องการรถแท็กซี่ไหม Wil j i x i พวกเขาอยากโทรสาร